ทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีทุลละนันธาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทุลละนันธาเข้าไปสู่ตระกูลในเวลาหลังพัตตาหารนั่งบนอาสนะจากไปโดยไม่บอกเจ้าของบ้านในสิกขาบทที่หนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐาน แห่งอาบัตหสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสองสมุดฐานเป็นกธินะสมุทฐานละ